ต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติหลักของบุคคลที่ปรารถนาจะเป็นพระโสดาบันหรือในวานนี้พูดถึงในเรื่องของพระธนัตรัยด้วยก็พูดถึงในลักษณะว่าสรารนคมเนี่ยสรารนคมมีคำว่าสรารนกับคำว่าคมค ำ, คำานาเนี่ยแปลว่าการไปการเข้าถึง สรณะมี2 อ, อย่างนะโลกียะสารณะคมและก็โลกุตระสารณะคมแล้กโลกีย ะ, ะาสารณะคมคืออะไรคือการถึงพระรัตนาไตรายเป็นสารณะโดยมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณเป็นอารมณ์มีคุณของพระุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณเขาประสงค์นะั่นแหละเป็นอารมณ์สามารถทําให้ข่มกิเลสที่เป็นเหตุขัดขวางการถึงสารณะไว้ได้ ฉะนโลกียะไตรสถานคมก็มีศรัทธาในพระรัตนไตรัยเป็นมูลเป็นประธานก็คือมีความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในพระรัตนไตรนั่นแหละเป็นมูลแล้วก็เป็นประธานด้วยศรัทธาก็คือมีความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อมีความเชื่อที่ดิ่งลงดิ่งลงในที่นั้นก็คือมีความเชื่อที่เป็นไปกับเหตุและผล ถ้าเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุและผลไม่เรียกว่าศรัทธานในที่นี้เนะีฉะนั้นศรัทธานในพระรัตนะไตรเป็นมูลเป็นประธานและมีสัมมาทิฏฐิตามอำนาจแหงการอย่างรู้ที่เป็นโลกิยาคือทิฏฐุชุ ก, กรรมคือการทําความเห็นในตรงในคุณของพระรัตนะไตรอันเป็นข้อหนึ่งในบุญกิยาวัตถุโดอทํามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าอ๋อการเข้าถึงสารณาคมเนี่ยถ้าบุคคลใดเป็นคนโฉดเขาเข้าใจคําว่าโฉดเขาไหม เป็นคนโง่ก็ไม่รู้จักคุณของพระรัตนตรยัยรู้แต่ว่าเขาไหว้พระก็ไหว้บ้างเห็นไหมเขาไหว้เขาเข้ารับสารณคมก็รับบ้างเมื่อเพื่อนตักเตือนให้ไหว้พระจึงไหว้จึงรับใจสารคมบุคคลที่ไหว้รับด้วยอาการอย่างเนี้ยจะเป็นใจสารนคมหรือการถึงสารนาคมได้หรือไม่ตรงนี้ก็ต่อว่า สัทธาปฏิลาโภทิฏฐุชุกกรรมมันติวุจติสัทธาปฏิลาโภติอิมินาตาทีติอุสาหิตะธารกาทีนางวิยยานวิปยุตังสารณาคามนังทุตเสติเขบอกว่าบุคคลผู้ใดที่มีความฉุดฉุดเขานี่นะดังกล่าวว่าเห็นเขาไหว้พระก็ไหว้บ้างเห็นเขารับสารนคมก็รับบ้างเขาสอนให้ทำก็ทําตามด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ก็ชื่อว่ารักษาไตรสนารคมนะชื่อว่ากระทําที่ถูกจุกกรรมเพราะเหตุกระทําความซื่อตรงต่อพุทธศาสนาแต่การรับไตราสาคมที่ปราศจากปัญญาเนี่ยเป็นการมาวจารกุศลที่เป็นญาณวิพยุต์ได้บุญอยู่นะแต่ทว่าน้อยเพราะมีพุทธวจนะหรือพุทธพจน์ ท, ที่บอกว่าตับปานุครุกาหิวิคตกิเลโซตับรายนะ ตาการาจิตตุปาโทรสนะครมนังบอกว่ากุศลจิตตุบาทอันปราศจากกิเลสคือความเศร้าหมองและเป็นไปด้วยการคือเอาคุณของพระรัชนารไยเป็นเบื้องหน้าด้วยศรัทธาเชื่อถือและสมนัตในคุณของพระรัชนารไยกุศลจิตเช่นนี้ก็เป็นตสรสนคมเหมือนกันทั้งๆที่ไม่มีปัญญาก็เป็นนะแต่เป็นตสรสนคมที่ยังไม่ชัด ถ้าใจสานคมที่ชาัดนั้นจะต้องมีความรู้และเข้าใจในสรารนคมนั้นอย่างชัดเจนด้วยนั้นการเข้าถึงใจสรารนคมในระดับโลกยิ่งยากจนเข้าถึงได้โดยการมาวจรกุศลบางครั้งก็ประกอบไปด้วยปัญญาบางครั้งก็ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาใช่ไหมลนะ่ะจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาก็ได้ประกอบด้วยปัญญาก็ได้เป็นอาศังขาริกก็ะดันะไม่มีการชักชวนเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนนะ แล้วก็เป็นสมณัสด้วยแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาในขณะที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมีคนบอกเลยนะด้วยความทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้ามีความรู้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้พอระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเช่นเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลต้นแบบพระองค์เนี่ยบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญบารมีสิ บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนสามารถฝึกผลพัฒนาตนเองจนสามารถทําปัญญาให้เกิดขึ้นแทังตลอดสัจจะสีได้พอคิดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเนี่ยก็เกิดความเชื่อมั่นพระเจ้าแล้วก็ย้อนความเชื่อมั่นนั้นมาเชื่อมั่นที่ตนเองว่าเราจะต้องฝึกพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยให้สามารถมีปัญญาอย่างเห็นสัจจะสีตามบุคคลต้นแบบคือพระเจ้านั่นให้ดเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยพราะเชื่อและกระบวนการเชื่อเหตุผลผล เื่อหลักการอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเห็นคุณของพระรัตนตรัยอย่างเนี้ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยไม่ประกอบด้วยปัญญาเห็นเขาไหว้เขาไหว้เขาให้ไหว้ก็ไห ว, เว้เขาให้รับสรารนคมก็รับรับเขาให้สวดมนต์ก็ทำเนี่ยทำไปอย่างนั้นตามๆกันมาอย่างนี้แต่ทําไปจิตก็ผ่องใสนะแต่ไม่เข้าใจเหตุและผลอย่างนี้ปัญญาณวิพยุตถ้าหนักไปกว่า น, นั้น ถ้าไปหนักไปกว่า น, นั้นอีกเออเนี่ยไปไหว้พระรัตนตรัยแล้วจะทําให้โชคดีเฮ้ยไปใหญ่เลยนะเนี่ยนะเนี่ยสรารณคมก็จะเศร้าหมองนะเนี่ยลักษณะนี้ก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดประการต่อมาคืออันนี้พูดถึงในเรื่องของโลกียสะสารนคมนะต่อไปพูดถึงในเรื่องของโลกุต ร, สระสารณคมคือการถึงสรารนคมพระรัตนตรัยเป็นสรารนาโดยมีนิพพานเป็นอนนารมณ์ในขณะไหนในขณะที่บรรลุอริยมรรค เส้นโซดาปฏิมากเกิดขึ้นเนี่ยเข้าถึงโซดาปฏิผลมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สกาธาคามีมรรคเกิดขึ้นมีพระนิพานนาา พ, นพานเป็นอารมณ์อนาคามีมรรคเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อรหัตมรรคเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ลักษณะอย่างเงี้ยทาให้ตัดขาดจากอุปกิเลส ท, ที่เป็นเหตุขัดขวางเห่งการถึงสรารนาได้อย่างเด็ดขาดก็แปลว่ากเกเสถูกกระชากหลุดไปเลยแล้วก็มีพระรันาตนตรัยเป็นอารมณ์อย่างท่องแท้ โลกุตระสารนคมเนี่ยมีปัญญาเป็นประธานในขณะที่มรรคยานซึ่งมีนิพพานเป็นลมเกิดขึ้นในขณะนั้นก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดทุกข์ด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยเงี้ยนะฉะนั้นโลกุตระสารนคม4ี่ดวงก็คือโสดาปิมรรคจิตหนึ่งสกัดทาคารมรรคจิตหนึ่งอานาคารมรรคจิตอะไรแตาม่มรรคจิตเนี่ยจึงเป็นกุศลจิต ฝ, ฝ่ายโลกุตระไตสรสารนคมนะทีนี้โลกุตระ กุศลมรรคจิตเนี่ยเมื่อว่าโดยมรรคมีสี่ดวงตามลำดับแห่งมรรคนะถ้าว่าโดยองค์ฌานที่ประกอบก็20อันนั้นก็ผู้เรียนก็จะเข้าใจแล้วปฐมฌมานทุติยฌานก็ว่าไปตามลำดับสรุปสารณาคมอาจฉริยท่านขยายว่าโดยสภาวะประมัตแห่งจิตว่าสารณาคมคือจิตตุบบาทก็หมายถึงจิตและเจตสิกอันมีกิเลสนะ ที่มีความเลื่อมใสในสารณคมและความเคารพในสารณะอันเป็นไปในเบื้องหน้ากําจัดแล้วก็หมายความบอกว่าเวลากุศลจิตเกิดขึ้นสามารถกําจัดกิเลสได้แล้วตอนนั้นกิเลสไม่พัวพันในใจเลื่อมใสเคารพในสารณคมที่เป็นไปในเบื้องหน้าก็าหมายความว่าเมื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วเนี่ยตอนนั้นกิเลสอันตรธานหายไปตอนนั้นจะชื่อว่ามีสาธารการเข้าถึงสาธาร จิตวาตก็มายถึงจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยสามปยุทธธรรมคือเจตสิกมีศรัทธาและปัญญาเป็นต้นบางครั้งก็มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นเป็นประธานบางครั้งก็มีปัญญาคือความรู้ความเข้าใจเป็นประธานบางครั้งก็มีเจตนาเจตจำนงความจงใจและตั้งใจนั่นเป็นประธานในขณะที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ถึงพระสงฆ์เห็นคุณเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีศีลคุณมีสมาธิคุณมีปัญญาคุณมีวิมุตติคุณมีวิมุตติญาณทัศนคุณ เห็นทานบารมีที่พระเจ้าบำเพ็ญเห็นศีลบารมีเห็นเนคขมบารมีเห็นวิริยบารมีเห็นปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเห็นอุปบารมีสิบปรมัทธบารมีสิที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมาโอ้โหยิ่งยอดมาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะเห็นพระเจ้าทําอะไรมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างจึงสามารถสั่งสมอัธยาสายจนเป็นปัจจัยต่อการได้มาซึ่งสัมมาสมาธิญาณเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นคุณของพระพุทธเจ้า แต่เห็นคุณของพระธรรมก็เห็นคุณของมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งว่าเลิศประเสริญยังไงจะพ้นจากกัณดานคือพบยังไงเห็นคุณของพระสัจธรรมโดยเฉพาะพระอริยะสัจธรรมก็เป็นประดุดแผนที่เป็นลายแทงที่จะทําให้กระแสะชีวิตของเราที่เดินไปตามแผนที่และลายแทงนั้นจนถึงจุดหมายปลายทางคือบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นและเห็นคุณของพระอริยะสองว่าพระอริยะสองเนี่ยเมื่อท่านสามารถกําจัดกิเลสไปแล้วไปรวมกันเป็นอริยสังฆะ เป็นเป็นกลุ่มชุมชนที่เลิศที่ประเสริฐที่ดีเยี่ยมเหมาะแก่การที่เข้าไปร่วมเราก็ปรารถนาอยากจะไปร่วมในชุมชนนั้นอย่างดีไม่อยากอยู่ในชุมชนกบดุชนมันมันละคนไปด้วยกิเลสมันสกปรกไปด้วยกิเลสเพราะงั้นเธอเป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่เป็นชุมชนที่จะมีเอารัดเอาเปรียบกันเป็นชุมชนที่มีการฆ่ากันลักกันประพฤติผิดในการมเนชุมชนอย่างนี้ไม่น่าอยู่เลยอยากจะอยู่ชุมชนที่เป็นอายะสังขานี่แหละเป็นชุมชนที่เลิศที่ประเสริฐ ที่ดำเนินตามพระธรรมดําเนินตามพระพุทธเจ้าแล้วสามารถ ท, ทําตัวเองให้พ้นส้นจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นจ้ะนี่เห็นคนอย่างเนี้ยเป็นโลกียสรารนคมที่เห็นคนอย่างเงี้ยนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตุบาที่เกิดขึ้นพร้อมธรรมวิจธรมมีศรัทธามีปัญญามีเจตนาเป็นประธานกิเลสหมายถึงอะไรเนี่ยบาปประธรรมทั้งหลายเช่นความกําหนัดความยินดีความเบื่อเพลินเป็นกิเลสนะความหงุดหงิดความโกรธ ก็เป็นกิเลสเซงเบื่อก็เป็นกิเลสใช่ไหมฟุ้งซ่านลาคาญใจก็เป็นกิเลสแล้วก็ความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในคุณของบระรดาณตรัยก็เป็นบาปนีกิเลสเหล่านี้ความหลงความไม่มีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้คือกิเลส ก็หมายความว่าเมื่อจิตที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาแล้วก็จะกาจัดบาปเหล่านี้ให้อันตรธานจากใจเป็นระยะระยะความเริ่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าคือเป็นคติเป็นเครื่องดําเนินเป็นคติเป็นเครื่องดําเนินก็หมายความว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมประสงค์เป็นเครื่องดําเนิน หรือเป็นคติเป็นทางดําเนินว่าเราจะเดินตามท่านนี่แหละเดินตามพุทธเจ้าเดินตามพระธรรมเดินตามพระรียาสงเราจะปลอดภัยเป็นมชิมาบดิปทานะทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทาพาให้กระแสะชีวิตเรารอดและปลอดภัยได้เราจะไม่เองเข้าหาการมาสุขขาริการนุโยคคือการไปหมกมุ่นตนเองประกอบตนเองติดแน่นในกามจะไม่ทําตนเองไปประกอบติดแน่นในอัตกิรมาฐานนยิยคเช่นยังไงอ่เป็นคนเครียดง่าย เป็นคนเครียดเป็นคนชอบประทุสนลายตัวเองเบียดเบียนตัวเองเป็นต้นอะไรคำนะนะศัพท์นั้นน่ก็คือการเข้าไปคบการเข้าไปใกล้และยังหมายถึงการรู้และเข้าใจด้วยในคำนะศัพท์นั้ น, นคมนะหรือสารณะคมสาระาคำหนึ่งคมคำหนึ่งคมก็มีคอควายมอมา้มา น, นอนหนูกรันมาจากคาว่าคำนะ ธรรมะนาศนั้นก็เลยกลายแปลว่าการเข้าใกล้การเข้าไปใกล้การเข้าไปครบหมายถึงรู้และเข้าใจด้วยนะเข้าไปใกล้เข้าไปครบเข้าไปศึกษาเหมือนข้าฉามเพื่อจะเข้าไปครบเข้าไปคบพระพุทธเจ้าครบพระธรรมและครบพระสงฆ์แล้วก็ได้ไปรู้และเข้าใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เป็นด้วยนั้นสารณคมหรือสารณะสารณคมระหรือสารณคมก็คือจิตตุบาบาศ ก็คืจิตพร้อมด้วยสัมยุตธรรมคือเจสิกที่มีศรัทธาความเลื่อมใสความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นทางดําเนินนั่นเองศรัทธาความเลื่อมใสและความเคารพในพระรัตนตรัยเนี่ยทำหน้าที่อะไรกำจัดกำจัดความลังเลสงสัยกําจัดความหลงกําจัดความไม่มีศรัทธากําจัดความเกียจค้านกําจัดความหลงลืมสติกําจัดความฟุ้งซ่านกําจัดความไม่รู้ทิ้งไปเลยในพระรัตนตรัยต่อไปก็เลยกลายเป็นว่า อุ้ยพอพูดถึงพระรัตนตรยัยจิตก็แล่นไปเลย พ, พูดถึงพระรัตนตรยัยจิตก็อาถรรพ์เก้าวกล้า พ, พูดถึงพระรัตนตรยัยก็มีสติระลึกถึงมันของพอพูดถึงพระรัตนตรัยปุ๊บก็ไม่พวงซ่านและจิตก็ตั้งมัน พ, พูดถึงพระรัตนตรยัยความหลงความโง่าหายไปเลยเหลือแต่ความรู้และความเข้าใจอย่างทองแท้อย่างเงี้ยปัญญาก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะฉะนั้นโลกิยสรารณาคมก็คือเป็นกุศลจิตวิบาท นั่นแหละพร้อมด้วยสามยุท ธ, ธรรมที่มีความมีศรัทธามีความเลื่อมใสเป็นต้นน่ยนะมีความเคารพในพระรัชนตรัยก็ได้แก่มหากุศลนั่นเองที่มีคุณของพระรัชนตรัยเป็นอารมณ์ในขณะที่มีคุณของพระเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ตอนนั้นประหารกิเลสได้หรือยังประหารได้แล้วก็คือประหารทั้งความไม่มีศรัทธาประหารทั้งความเกียจคร้านประหานทั้งความฟันฟ่นเฟือนเลือนหลงประหานทั้งความฟุ้งซ่านลำคาญใจประหานทั้งความหลงความโง่หายเกลี้ยงเลยเนี่ยสามารถ ด้วยอำนาจแห่งอะไรมีคุณของพระราตน้าใจเป็นอารมณ์ปุ๊บด้วยอำนาจแห่งแต่ทางข้าประหารประหารได้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะอน่งในขณะที่เราเลือกถึงคุณของพระราตน้ายกิเลสก็ไม่เข้ามายุ่งและตอนนั้นนะถ้าหากตั้งมั่นในคุณของพระราตน้ตใจนะดิ้งนะก็เป็นวิคัมพระประหารข่มได้เลยเนี่ยแต่ตัวกิเลสทั้งหลายที่มาขัดขวางทาให้ไม่ถึงพระราตน้าใจก็ถูกกาจัดไปได้เลยเนี่ยโดยยังไม่ได้ตัดอันนี้ยังไม่ได้ละกิเลสยังเด็ดขาด แต่เวลาใดก็แล้วแต่มีคุณของพระรัตนาตรัยเป็นเวลานั้นกิเลสเกิดไหมกิเลสก็ไม่เกิดนะอย่างนี้เป็นต้นทําได้ไหมระลึกบ่อยๆได้หรือไม่ได้แชมป์ได้ไหมระลึกถึงคุณพระเจ้าบ่อยๆเวลาเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็อิติปิโสภะคะวะอาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปนโนเออจิตก็ล่าเริงผ่องใสเนี่ยทั้งที้ยังไม่รู้คุณตอนนี้ก็เป็นญา น, นวิปยุทธพอเข้าใจพบว่า พุทโธหมายถึงรู้อริยสัจสี 4. โอ้เข้าไปรู้อย่างเงี้ย ว, ว่าเขาเป็นญาณสัมปยุตปัญญาเกิดขึ้นเลยนี่เป็นต้นเห็นไหมโลกยศธนคมสามารถบางคนเนี่ยไปท่องตั้งแต่ท่องตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยลึกถึงคุณของพระเจ้าเลยที่เสียหายเลยนะแบบนี้เนี่ยส่วนโลกุตรละสารโลกุตรละโลกุตรละสารนคมเป็นจิตว่าทพร้อมที่สัมปยุต ธ, ธรรมนะมีความเลื่อมใสมีความเคารพในพระราตนารัยเลยตอนนั้นมรรคจิตส มีโสดาปิมาร์สกาธาคามีมาร์อนาคาร์มาร์อัตมคเกิดขึ้นรรมีนิพพานเป็นอารมณ์โสดาปิมาร์เกิดขึ้ น, น, น, ป, น, ป, นปุ๊บปะหานอะไรวิจิกิจฉาขาดเลยปะหานอะไรอีกปะหานทิฏฐิคือความมินผิดขาดกเกลี้ยงเลยฉะนั้นโอ้พระโสดาบันนี่ไม่มีความมิจนผิดไม่มีความลังเล ส, สงสัยในคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดตัดเทธเป็งความเศร้าหมองในการไม่เลื่อมใสไม่เคารพในพระรัตนตรัยได้เด็ดขาดจิตก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ ทำให้เห็นแจ้งในอริยสัจจะทำทั้ง4เลยรู้ชัดในทุกรู้ชัดในเหตุให้เกิดทุกข์รู้ชัดความดับทุกข์รู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เลยหมดความลังเลสงสัยในพุทธภาวะหมดความลังเลสงสัยในอริยสัจสี่พุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหมดความลังเลสงสัยในธรรมะในมัค4ีผลสนิพพานหนึ่งหมดความลังเลสงสัยในสังฆะ เข้าถึงมรฟุนิพานเพราะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ส, สีโดยตรงเนี่ยฉะนั้นบุคคลที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็รู้ถึงโลกุตระาสารนคมขณะนั้นทีเดียวโสวดาปิมัชเกิดขึ้นประหารอะไรวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยและกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยหมดเลยทีเนี้ยฉั้นกิเลสใดๆก็แล้วแต่ที่จะเป็นปัจจัยต่อการไม่เคารพพระรัตนตรัยนี่โดนขจัดเกลี้ยงเลยนี่โดนขจัดเกลี้ยงเลยนี่เป็นต้น ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็เลยเป็นผู้เชื่อมมั่นในพระเจ้าพระธรรมประสงค์ตามความเป็นจริงเป็นไปพร้อมด้วยวิรติเจรศิกนะสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็คือมีศีลบริบูรณ์และมีปัญญาเห็นอริยสัจสี่ที่เกิดพร้อมกับมรคสมังคีในมรรคในองค์แประหารสักยะทิฏฐิได้ด้วยศีลปรพตปรมาส า, าได้ด้วยวิจิกิจฉาได้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวจะไปขยายอทีเนี่ยไปเชื่อมโยงกับการใน การว่าคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันก็คือการเข้าถึงโลกุตละสานคมนี่คือเป้าหมายของเราตอนนี้เรายังได้แค่โลกิยาสานะคม อ, อยู่ใช่ไได้แบบอ่อนแอหรือแข็งแรงนะก็ต้องทาให้แข็งแรงจากการทำให้แข็งแรงบ่อยๆนี่แหละในที่สุดจริงๆก็จะสามารถขจัดกิเลสเป็นสมุทเทฆปะหารได้นะ ฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าดีกาจารยานก็เสนปว่ามรคยานนั่นแหละเป็นสารณาคมเพราะการถึงสารณาคมสำเร็จบริบูรณ์ได้ด้วยการบรรลุอริยสัจจะทาทั้งสี่ในขณะแห่งโสดาปฏิมร์พระเจ้าตรัสสรรเสริญผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวเห็นแจ้งในอริยสัจสว่าเป็นคุณสมบัติของโสดาบันว่ายัตสัตาตถาคตอจราสุปฏิทิตา สีหลันจายยาศาสกลยานังอริยกันตังประสังสิตังเป็นต้นองค์ศรัทธาของผู้ใดในพัตถาคตไม่วันไหวตั้งมั่นดีศีนของผู้ใดงดงามพระรยเจ้าพอใจและสรรเสริญความเลื่อมใสของผู้ใดมีในสง์และความเห็นของผู้ใดตรงผู้รู้กล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของเขาไม่เป่าประโยชน์ฉะนั้นศรัทธาศีนความเลื่อมใสและการเห็นแจ้งในธรรมทั้งสสัจธรรมทั้งสผู้มีปัญญาพึงขนขวายหนึ่งเนืองนะ เลิอกอยู่ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิด อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่านิ่โลกุตระสารนคมในพระเจ้าสารเสริญเลยนยัสสัทธาตถาคตอย่างพวกเราตอนนี้เป็นโลกียาสารนคมอยู่ยานคุณสมบัติหลักของความเป็นพระโสดาบันที่ได้ว่าไวเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของศรัทธาเนี่เป็นอจระศรัทธาเลยศรัทธาของผู้ใดในพระธรรคตไม่หวัน่นไหว ยะสศรัทธาตถาคติอัจลานอัยอจลาเนีสุปฏิติตาหยั่งลงในพระรตนะไตรไม่วันไว้ไม่คลอนแคลนเป็นศรัทธาที่มั่นคงเป็นศรัทธาของผู้ที่เห็นพระนิพพานแล้วงั้นคนที่เห็นพระนิพพานเห็นแจ้งในระยะสัจธรรมทั้ง4แล้วจะไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนไม่มีแล้วไม่โลเลอีกต่อไปแล้วอย่างเนี้ยยังโลเลเยอะนะเนี่ยยังโลเลนีนโอ้โหท่าจะพูดออกไปปุ๊บ ยังมีคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนโลเลในพระราตนาตายมาก <Okay. S 1> แต่ไม่บอกคือใครให้ทายเองเ <c> ห <oughs> ็นไหม <c oughs> นี่แหละมีนั่งกันอยู่นี่แหละเพราะจะต้องมีคนคนหนึ่งเป็นผู้โลเลในพระราตนาตราอ่าอาจจะเป็นยิ่งจกก็ได้ใช่ไหมยิ่งจบโลเลไหมแต่ก่อนก็เป็นมนุษย์เองอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ทีนี้การถึงสารณาคมเนี่ยมีตั้งสี่วิธี การถึงสารนคมเคยขยายไปตั้งหลายครั้งหนึ่งคอั ต, ตสัญญาตาสารณคมคือการถึงสารณะการเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด้วยการมอบตนสละตนแด่พระรัตนตรยัยเพื่อการถอนตนออกจากสังสารทกเนี่ยมอบตนจริงๆนะวัตถุประสงค์ว่า ตนเองจะถอนตอนเองออกจากสังสารทุกข์ต้องการจะถอนตอนเองออกจากชาติทกขุคือความเกิดชาราทุกข์คือความแก่พยาธิทุกข์คือความเจ็บไข้มรณะทุกข์คือความตายต้องการจะถอนตอนเองออกจากความโศก ค, ความร่ำไรราพันความไม่สบายกายไม่สบายใจและความขับแค้นใจจริงๆมีตั้งมั่นเราไม่เอาแล้วงั้นขอถึงพระรัตนาตายจริงๆสทีก็ท่องเลยเลยสมาทานเลวัจชาอาทิงกตวาอาหังพุทธะอัตตานังนิยาเทมิ อหังทำรรมัสฐะอัตตานังนิยาเทมิอหังสังคะสะอัตตานังนิยาเทมิอิติมังทาเรถาติบอกเลยบอกว่าข้าพเจ้าก็ทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตนอุทิศถวายแด่พระเจ้ามอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอสงฆ์โปรดจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดนี่นี่สมาทานชัดเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการต้องการจะถอนตนออกจากสังสารโลกจริงๆไม่เอาแล้ว แต่ก่อนตัวเองมอบตอนแด่กิเลสใช่ไหมมอบตอนแด่ราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอย่างเงี้ยถ้ากิเลสคือความกำหนัดยินดีมาสิงเขาเขาก็ถูกกิเลสครอบงํเขาก็ไปกิเลสอยากให้กินอะไรเขาก็วิ่งไปหากินกิเลสอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนเขาก็ไปกิเลสอยากให้ทําอะไรก็ทําตามกิเลสกิเลสครอบงำเขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่พ้นจากทุกข์อาจจะโทสะ ยากเขาโกรธใครเขาก็โกรธอยากให้ด่าใครเขาก็ด่าอยากให้ถึงตามองใครเขาก็ถึงตามองถูกความโกรธตอนนี้เขามอบตนแด่กิเลสอยู่ความหลงอยากเขาเล่นสุกซนยังไงก็มอบเนี่ยคอบงำเขาก็เล่นสุกซนเขาอยู่สุขไม่ได้แลลังเลสงสัยฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆอยู่เขาเนี่ยลุกลิกกลิเนี่ยอันนี้แปลว่าเขามอบตนให้กับใครมอบตนให้กับกิเลสพอไม่รู้ว่าเ้ยไม่ได้เรื่องเลยกิเลสคือราคาความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเนี่ยมันทําตนให้ จม อ, อยู่ในสังสารโลกนี่ยก็ไม่เอาแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาถานขึ้นมาบอกว่าเราถอนตัวเองออกจากสังสารทุกให้ได้เราไม่ต้องการเกิดเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายเราไม่ต้องการความเจ็บปวดในสังสารวัฏเอาละมอบตอนแด่พระราชาตารายดีกว่านับตบั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอมอบตอนแนด่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าดําเนินชีวิตยังไงจากดาเนินอย่างนั้นเลยขอมอบตอนแด่พระธรรมหลักการดําเนินยังไงหลักการาว่ายัางไงจะเดินตามหลักการนั้น มอบตนแดพ่พระสงฆ์พระสงฆ์ท่านขัดเกลายังไงสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกยังไงจะกําจัดกิเลสกองทุกตามพระสงฆ์นะั้นเอาละขอให้เป็นภาระของพระราชนตรัยเท่านั้นพระราชนตรัยมีสิทธิ์ในการที่จะบงการชีวิตของข้าพเจ้าได้กิเลสหมดสิทธิ์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้กิเลสมาบงการชีวิตตัดขาดเพราะเราได้มอบตนแด่พระราตนตรัยแล้วและให้สงฆ์โปรดจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดโอ้โหยืนยันต่อสงฆ์เลยกล้าไหมาอย่างเนี้ อย่างนี้ชัดเลยใช่ไหมได้มากไม่ค่อยมีใครคยพูดกันก็พูดเพราะธรรมดาเพราเป็นพิธีกรรมแตจแล้วกลับไปก็ยอมเป็นท่านยอมจำนนมันเพราะกิเลสบอกให้แสดงอาการน้อยใจออกมาหน่อยที่แง่แ ง, ง, ง่กิเลสบอกว่าอยากกินไรนั้นน้อยไปจิบหัวลากไปให้ไปกินแล้วนึกว่าหัโกที่สุสดแล้วที่ไหนได้ถูกกิเลสบงการสอง ตับปรายนาสารณาคมในการถึงพระาราตนตรัยด้วยความเป็นผู้มีพระราตนาฏายเป็นไปในเบื้องหน้าหมายความว่ามีพระาราตนตรัยเป็นหลักนําชีวิตเป็นที่พึ่งอัชชะอาทิงกตวาอาหางพุทธสาปรายโนโหมมิอาหางธรรมสะปรายโนโหมิอาหางสังคสาปรายโนโหมิติมังทาเรธาติข้าพเจ้ากระทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าเส้นชีวิตเป็นผู้มีพระเจ้า เป็นไปในเบื้องหน้าขอมีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นขอมีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าขอสงโปรดจำเข้าไเจ้าอย่างนี้เถิด อ, อันเดียวกันกับพุทธังสรารังขะฉามีธรรมังสารังขะฉามีสังฆังสรารังขะฉามีอันเดียวกันนี่แหละตับปรายนะตับปายณะสรารณคมถ้าพระเจ้านี้จักเที่ยวไปเหมือนอาระวาคยะโสอาหังวิจาริสามิ โสหังเยวะจริสามีก็นนะคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนสัมพุทธังธรรมัสัะ จ, จัสุธรรมะังข้าพเจ้านี้จะเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านนี้จากบ้านนั้นสู่บ้านนี้จากเมืองนั้นสู่เมืองนี้เพื่อ น, นมรส ก, การความพระสมมาเม บ, บุตรเจ้าและความเป็นธรรมดีของพระธรรมคือข้าพเจ้าข้าพระองค์นี้เชื่อแท้ในพระรัตนตรยัยถ้ามีกิจธุระเที่ยวไปในบ้านน้อยบ้านใหญ่เมืองน้อยเมืองใหญ่หนะ้าที่ใดๆก็ดี ข้าพระองค์จักผินหน้าถวายนมัส ก, การสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านมัส ก, การพระธรรมอันประเสริฐแท้ประกอบด้วยแก่นสารดับสังสารทุกข์ได้เป็นแน่แท้ mm. ก็คือว่าไปณที่ไหนอ่ะ mm. ก็คือจะนมัส ก, การพระเจ้าทุกที่พระธรรมพระสงฆ์ทุกที่ททท mm. อ่ายกตัวอย่างเช่นเราจะไปอยู่ในฐานะใดก็จะประพฤติธรรม mm. เช่น ไปอยู่ในฐานะลูกก <ar> ็จะปฏิบัติให้เข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูกกนี่คือเคารพพระตัณฑ์ใจในการกระทํานี่ไปอยู่ในฐานะพ่อก็จะทําหน้าที่ถึงคุณธรรมความเป็นพ่อในการเคารพพระตัณฑ์ใจในในในในการเคารพที่แท้จริงไปอยู่ในฐานะเป็นภรรยาก็จะเข้าถึงคุณธรรมความเป็นภรรยาอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ก็จะปฏิบัติปึกตนเข้าถึงคุณธรรมความเป็นอาจารย์เป็นศิษย์ก็จะปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นศิษย์ เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายก็จะปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นลูกน้องและเจ้านายเป็นต้นเป็นพระสงค์เป็นสมณี น, นก็จะบัตปรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นประสงค์และสมณีอย่างเงี้ยนะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาอย่างเี้ยก็เรียกเขารพระรัตนไถยในที่ทุกสถานในการทักเมือ่อประการที่ 3. าสิทธสภาวะปะคัมภนาสา ร, รณคมก็คือการถึงพระรัตนไตรยโดยการเข้าเป็นสิทธอัชชาอาทิงกัตวา Oh อหารพุทธะ oh อันเตวาสิโกโหมิอาหารธรรมะอันเตวัสิโกโหมิอาหารสังทัศอันเตวัสิโกโหมิอิติมังทาเรตถาติข้าพาเจ้าจะทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าชินสิ้นชีวิตมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระพเจ้ามอบตนเป็นสิทธิ์ของพระธรรมมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์เขาบอกว่าผู้ที่เป็นสิทธิ์เนี่ยก็คืออยู่ใกล้อาจารย์เป็นอันเตวัสีเนี่ยเข้าเป็นอันเตวาสิก็คือเข้าไปเป็นสิทธิ์ เราเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าห้ามเอามือค้ำค้างเราก็จะไม่ทําเพราะเราเป็นสิทธ์ของพระเจ้าเราก็จะตั้งใจในการปฏิบัติจริงๆเพราะถ้าไม่ไม่ทำลักษณะอย่างนี้ก็คือการเข้าถึงนะเข้าถึง ดีแท้ถ้าพระ อ, องค์ได้เห็นพระบรมคูได้เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคดีแท้ถ้าพระ อ, องค์ได้เห็นพระบรมสุคตได้เห็นองค์พระทรงสิริโ ส, โสภาพดีแท้ถ้าพระ อ, องค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพระ อ, องค์ผู้ทรงแจกจ่ายซึ่งธรรมรัตนะเข้าถึงความเป็นสิทธิ์ประการที่สโดยมากไม่ค่อยได้กล่าวกันก็คือปานิปาตร า, ารณคม การถึงสารนคมเป็นสารณาด้วยการทำความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งอัจชาอาทิงกตวาอหังอภิวาทนังปัจจุ ป, ปถานังอัญชลีกรมมังพุทธาธีนางเยวะติ น, นังวัตถุนางกรโรมิอิติมังธเรถาติข้าพเจ้าก็ะทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตจะทำการอภิวาต้อนรับอัญชลีกรรมแก่วัตถุสาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ยขอท่านโปรด จงจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดก็คือว่าเราจะไม่ทำจะไม่อภิวาทใครจะไม่อัญตลีกรรมใครจะไม่นอบน้อมใครเท่ากับการนอบน้อมพระราชนัดนั้นปาหนีปาตาสารณคมเช่นการแสดงของพรมายุพรามเนี่ยที่น้อมศีรษะแทบพระยุคนบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจมพิษพระบาทใช้มือทั้งสองนวดฟันแล้วก็ประกาศชื่อตอนเองพรมายุอหังโพโคตมะพระมามโน พรามายุอหังโพโคตมะพรามโนเนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคตมะพู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อพรมายุข้าแต่พระโคตมะพูดเจริญข้าพระองค์เป็นพราหม์ชื่อพรมายุการถึงสาธาคมเป็นสารณะนั้นไม่ใช่เฉพาะต่อจะกล่าวพุทธังสาธังคฉามิธรรมังสาธารขันสังการสาธารฉามีเนี่ยแท้จริงที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่การพูดที่สําคัญที่สุดก็คือการ มีศรัทธาภาษาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแท้จริงมีศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นมูลเป็นประธานเชื่อถือพระรัตนตรัยว่าประเสริฐปราศจากความลังเลสงสัยแล้วก็มีปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิประจักษ์บอกว่าพระรัตนตรัยนี้เลิ่อนประเสริฐเช่นนี้จึงจะเป็นการเข้าถึงโลกกิริย า, ารณคมนะนับเข้าในบุญกิริยาวัตถุที่เป็นที่ถูชุกกรรมเป็นต้นได้นี่เป็นอย่างนี้ ท่า น, นการการถึงสารณาคมสำคัญมากในมังกรัตทีปณีนะท่านพระสิรีมังคราจารเถระต่เป็นชาวล้านนานนะท่านเกิดในประมาณพศ1900เนี่ยหลังพุทธปฏิพนันาณท่านบอกว่าการบูชาผู้ควรบูชา ท่านพูดถึงในเรื่องของการว่าธรรมมานุธรรมมปฏิปทาการปฏิพุติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็หมายถึงการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่โลกุตตระธรรมคือมรกคสีพ้นีนิพพานนิสวนสัมมาปฏิบัติการปฏิบัติชอบได้แก่การสมาทานศีนการถือที่ลงเป็นต้นท่นั้นบรรพชิตนักบวชทั้งภิกษุสามเณรผู้ไม่ละเมิดศีกขาบททุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้เพียงเล็กน้อย ดำรงเพศโดยธรรมะชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามสังพนเิเตธรรมเห็นไหมงั้นเราไม่ละเมิดสิขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เลยเนี่ยตั้งใจศึกษาปฏิบัติด้วยความเคารพเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกปฏิบัติธรรมตามสังพนกิกตเราอุตละธรร ม, รรมถ้าคระหัตทําให้บริบูรณ์ในสารณะด้วยการรักษาวัวสถศีลให้ทานบูชาพระรัตนตรัยของหอมมาลายเป็นต้นป้อมลุงมารดาบิดาสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมเป็นต้นในชื่อว่าเป็นการ ปราดิเราพทธรรมตามสมควรแก่ทานะทีนี้ลักษณะการเครารพพรธเจ้านะที่ไม่ใช่เป็นสาณะสอย่างนะหนึ่งก็คือยายาติปานิปาตาก็คือกษัตริย์ในสากยตระกูลพญาตฝ่ายเมืองโลกีโกย่วงแล ขบิลภาทั้งหลายว่า้เคารพพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นญาติถ้าคิดอย่างนี้ไม่เรียกว่าการถึงสารณะหรอกหรือพญะปาติปาตะนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้ยคิดว่าเท้าพญาทั้งหลายกระทาการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าหากเราไม่ว่า้ไม่เคารพพระพุทธเจ้าภัยอันตรายจะมีแก่เราอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการถึงสารณะคมนะเข้าใจอย่างประการที่สามอริยาปาณิปาตาบุคคลเล่าเรียนศิลปาศาสตร์อย่างได้อย่างหนึ่ง กับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้หรือไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ามาครั้งตัดสรู้แล้วก็มอบนอบนอบไหวพระพุทธองค์ด้วยสําคัญว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูอาจารย์เด็กไปเรียนศึลบาวิชาตอนที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่อันนั้นก็ไม่เรียกว่าถึงสระนคมเนี่ยงั้นการนอบน้อม3าอย่างข้างต้นไม่จัดว่าเป็นสรณคมเพราะวิธีที่4คือ ไหว้เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นทักษิณยานปานิปาตะจึงจัดว่าเป็นไตสรสารนคมเป็นการเคารพไหวโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นทักษินายาบุคคลเป็นบุคคลผู้ควรแก่ทักษินาอันประเสริฐเลิศที่สุดในโลกเรคิดอย่างเนี้ยยีงนี่ชัดอ่ะดูความเศร้าหมองนะคอยสังเกตนะว่าเราเป็นคนเป็นคนถึงสารนคมถูกหรือไม่ถูกมีสี่วิธีนะ การถือสนานคมที่เป็นโลกียนะเนี่ยอาจจะเศร้าหมองมีผลน้อยแต่ไม่ถึงกับขาดนะสาเหตุที่ทําให้การถึงสนานคมเศร้าหมองมีผลน้อยคือหนึ่งอายานะอายานะการถือไตรสนานคมโดยปราศจากปัญญาไม่มีความรู้ก็คือไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ไม่ไรู้ไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรในไตรสนานคมเนี่ยอย่างนี้เป็นเศร้าหมอง นับถือจริงแต่ไม่เข้าใจเพราะไม่มีปัญญาไม่สามารถจะศึกษาว่าพระเจ้ามีคุณอย่างไรพระธรรมมีคุณอย่างไรพระสงฆ์มีคุณอย่างไ ร, ร, งมง ไ, รไม่รู้เลยว่างั้นเะทำตามๆเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกันนะเป็นการถึงสารนคมเหมือนกันนะจิตก็เลื่อมใสศรัทธาเขานี่แหละแต่ไม่มีปัญญารู้อย่างนี้มีผลน้อยมีผลน้อยเป็นอายานนะสองสังสยะการถึงสารนคมด้วยความเครือบแคลงสงสยัย เช่นพระราตนาไตรจะเป็นสารณะที่พึ่งได้จริงหรือเออไปนับถือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันจะได้บุญต่อผู้ที่ไปนับถือจริงหรือเปล่าไม่เห็นได้อะไรเลยก็เห็นสวดมนต์กันจังไหว้พระกันจังเนี่ยก็ยังยากจนกันอยู่นั่นแหละยังลําบากกันอยู่นั่นแหละนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เรียกสังสยียบสงสัยอย่างเงี้ยมีผลน้อยมิจฉาญาณนะข้อที่สการถือตรยสารคคมโดยความรู้ผิด เช่นนับถือไตราสรรารนคคอมอย่างขังอย่างนี้นะโอ้ยเคยเห็นไหมบางคนไม่นับถือพระว่านึกว่าขังนึกว่าเหนียวนึกว่าโอ้โหเนี่ยอยู่ยงกองกระพันโอ้ยเอามาบูชากันใหญ่พระรุ่นนั้นรุนนั้นรุ่นนั้ น, น, น, นถึงสรรารนคคอมแบบเนี้อันนี้เป็นมิจฉาญานะการถึงสารนาคคอมโดยการรู้ผิดหรือบางทีเข้าไปอ้อนวอนเลย เขไปถึงปุ๊บก็ไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงหลว ง, งพ่อโสธรไปที่วัดพระแก้วไปถึงก็ยาบาคูณขอให้ลูกช้างจงประสบความสําเร็จด้วยเถิดมาจากคนธรรมดากลายเป็นลูกช้างบางคนไปบอกคุณลูกช้างเลยขอให้ช่วยลูกช้างด้วยเถอดตอนนี้ลูกช้างลําบากเหลือเกินเคยไหมเคยไปอธิษฐานอย่านี้อ้อนวอน ขังเคยไปไหมบอมเคยอธิษฐานแบบนี้ยหไม่เคยคนระับเคยเห็นคนไปขอแบบนี้ไหมไปได้ยินไหมเนี่ยลักษณะนี้คือมิจฉาญานะรู้ผิดไปเข้าใจว่าขังบ้างเข้าใจว่าไปอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบรรดาลไปร้องขอเหมือนขอขอพระเจ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือรู้ผิดเป็นมิจฉาญานะอา้าวต่อมาก็คือมิจฉาปติ การถึงธารนครดโดยการปฏิบัติผิดไปจากพุทธโอวาทเช่นปฏิบัติทางสยศาสตร์เข้าทรงแม่มดหมอผีทํานายทายทักเนี่ยโดยปราศจากกรรมสกตาปัญญาเลยไม่เข้าใจในเรื่องไม่มีปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องเหตุและผลตามความเป็นจริงนับถือกันอย่างผิดผิดเราเห็นเยอะไหมแบบนี้ในการนับถืออย่างผิดผิดนี่แหละเาเรียกปฏิบัติผิด โอ้โหพอไปนับถือพระเจ้าแล้วก็บางคนนี่ตั้งเป็น ก, ก๊กเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วดูหมอต่อชะตาเข้าทองใช่ไหมโอ้โหเข้ยเครื่องล<ะ>ักไปกันใหญ่เลยปฏิบัติกันแบบนี้แหละทำนายทายทักว่าเออจริงๆถูกต้องแล้วเนี่ยไม่เข้าใจเหตุและผลบางันเถอะบางทีทาําพิธีบวงสรวงเลยเนะบวงสรวงอ้อนวอนเนี่ยปฏิบัติแบบนี้เป็นมิจฉามิจฉาประวัติปฏิบัติผิด จะเป็นพิธีกรรมโอ้โหมีเครื่องเส้นจะ บ, บูชาพระเจ้าฟังกันเถออ้อนวอนพระเจ้าทําอย่างนี้ปุบ๊บเป็นการอ้อนวอนในพระเจ้าเนี่ยแต่มาช่วยเราดลบันดาลให้กับเรางงเอ่างั้นเถอะไปเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเออเลยกลายเป็นยุ่งไปเลยเยอะไหมแบบเนี้ยเยอะมากมิจฉาประวติประการที่สี่หรือประการที่ห้านะอนาธระอนาธรเนี่ย ไม่เป็นอาทะระอนาทระการถือไตราสารนคมโดยไม่เอื้อเฟื้อต่อพระรัตนตรยัยคือไม่ได้แสดงความเคารพนับถืออย่างจริงจังนะไม่ได้เ ล, ลึกถึงคุณของพระพเจ้าพระธรรมประสงค์ในเวลาใดๆเลยเนี่ยไม่เอื้อเฟื้อเป็นการปฏิบัติไม่เอื้อเฟื้อต่อพระรัตนตรยัยไม่ได้เคารพอย่างจริงจังสักแต่ว่าทําการที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าฉันทาวิริยะจิตตปัญญาที่เป็นอธิบดีอ่ะ เป็นปัจจัยเป็นนําให้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องในพระรัตนตรัยยังอ่อนอยู่นั่นเองเนี่ยนะเนี่ยคนที่ฉันทะฉันทะก็อ่อนไม่มีความรักในพระรัตนตรัยให้ถูกต้องตามความเป็นจริงอ่อนด้วยวิทยาความเพียนก็อ่อนอ่อนนะจิตตะความมุ่งมั่นจิตจดจอ่อก็อ่อนปัญญาก็อ่อนวิมังสาเนี่ยปัญญาก็อ่อนมีปัญญานิดเดียรู้เรื่องกับเขาเลยเนี่ยนะก็กลายเป็นอย่างเงี้ยเศ้าหมอง สถานะคมก็เศร้าหมองเลยแต่นี้เป็นมุทุอ่อนเป็นปลายลักษณะอย่างนี้ัน้นอุบาสกบาศิกาก็ดีพวกมีปัญญาบางคนพิจารณาเห็นอนาคตอันตรายที่จะมีต่อชีวิตเป็นต้นว่าความตายจักมาถึงเราในยาบทใดบทหนึ่งวิฉชนั้นขณะ น, นี้เมื่อภัยอันตรายยังไม่มาถึงจึงควรบำเพ็ญกุศลก่อรละลึกถึงคุณของพทเจ้าพระธรรมประสงค์ในทุกๆยาบท แม้ปฏิบัติเช่นนี้ก็ยังชื่อว่าฉันท้วิริยะจิตตะวิมังสาธิปดียั่งอ่อนอยู่เนอะขนาดคิดขนาดนี้นะโ อ, น อ, อ้เนี่ยในเราเนี่ยความตายเราจะมาปรากฏในยาบทยืนเมื่อไหรก็ได้ยาบทยืนยาบทนอนยาบทนั่งใช่ไหมความตายเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเราทั้งหลายเหล่านี้มันจะมาเยือนเราเมื่อไหรก็ได้อะรู้ไหมเนี่ยคืนนี้นอนปุ๊บเนี่ยเห็นชเห็นแชมป์อาจจะตายวันนี้ก็ได้ ใช่ไหมละรู้ไหมละเนี่ยนี่เขาไม่รู้นะเนี่ยเขาอยู่ด้วยความมัวเมาเนี่ยไม่รู้ถ้าอาจจะตายวันนี้ก็ได้ยูไ่ไหมพวกเราเนี่ยอาจจะตายวันนี้ก็ได้เนี่ยพอคิดอย่างนี้เบ็ดตลก็โอไม่ได้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยอันตรายยังไม่มาถึงเราจึงควรบำเพ็ญกุศลก่อนดีกว่าด้วยการระลึกถึงคุณของพระเจ้าพระธรรมประสงค์ในทุกข้กอียาบทแบบยืนก็ระลึกถึงนั่งก็ระลึกถึ ง, งนะ ลักษณะอย่างนี้ยังชื่อว่าฉันทาวิริยะจิตตะปัญญายังอ่อนอยู่เ น, น, น, น, นีไม่ได้ทขั้นนั้นไม่รู้เอาอุบาสกเบสิกาที่มีปัญญาบางคนวิจารณาเห็นภายันตราตอชีวิตความตายจะมาถึงในขณะบริโภคอาหารอาจจะยังไม่ทานกืนอาหารก็ไปแล้วอาจจะถึงความตายก็ได้ จึงควนเล่งบำเพ็ญกุศลก่อนก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยทุกๆคำของอาหารกินอาหารไประลึกถึงคุณของรพระเจ้าพระธรรมประสงค์นะระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงศีลเนะ่ยถือว่าระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้งนั้นแหละปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่ามีฉันทะวุติยะจิตตะปัญญาแบบปานกลางนะเนี่ยแบบปานกลางเลยนะขันที่หนี <laughs> น่แบบปานกลางนะ ระดับที่3อุบาสกไบสิกาเป็นต้นเนี่ยิกษูพิกษุนบาสกบาสิกาเป็นต้นด้วยมีปัญญาพิจารณาเห็นภยัยอันตรายต่อชีวิตและความตายอาจจะมาถึงในขณะแม้หายใจเข้าหายใจออกก็ได้จึงเร่งบำเพ็ญกุศลก่อนก็ระลึกถึงพระรัตนตรยัยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าก็มีสตินี่แหละเขาเรียกระลึกถึงพระรัตนตรายแล้วมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกไม่ปล่อยให้เผลอเลยสติลักษณะนี้เขาเรียกว่ามีฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาอย่างแรงอย่างแก่ก้าวเราจะปฏิบัติแบบอ่อนแบบปานกลางหรือแก่ก้าวก็เรียกเอาหรือจะไม่ปฏิบัติเลย <c oughs> นี่ก็ไปพิจารณาดูนะว่าเราจะพ้นประเภทไหนเริ่มจะได้แนวทางการปฏิบัติที่ยังตอนเนี้ยว่าเราจะประเภทอ่อนแอปานกลางหรือแก่ก้า ก็ดูที่ฉั้นท้วิริยะจิตตาปัญญานี่ยังจะไม่ขยายก่อนนะตรงเนี้ยเป็นผู้ชํานาญในการร ล, ลึกถึงพระรัตนตรยัยเป็นผู้ไม่ประมาทประเภทสุดท้ายนี่แหละฉันท้วิริยะจิตตาปัญญาอย่างอันยิ่งตั้งอยู่ในอั ป, ปมาทรรมไม่ประมาทไม่ให้มีสติลงลืมถือเป็นวสีชํานาญในการระลึกในพระรัตนตรัยว่างั้นวิธีการก็คือว่า ในระดับโลกียาวิธีการแก้ไขความเศร้าหมองให้กลับบริสุทธิ์ของแผ่วก็ด้วยการใส่ใจศึกษาคําสอนในพุทธศาสนาให้รู้คุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็น้อมนํามาปฏิบัติมีความเอื้อเฟื้อเคารพในพระรัตนตรายกล่าวโดยย่อคือว่าศึกษาให้รู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระรัตนตรัยเป็นสาธารของตนได้จริงด้วยเหตุแห่งการศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ย ฉะนั้นการระลึกถึงพระธนรนไตัยในระดับโลกิยะก็คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ถ้าระดับโลกุตระก็เป็นการสามารถเข้าถึงความดับทุกข์ได้โดยตรงเลยนี่ต้องทีนี้การขาดแหละการขาดจากสารณคมการขาดที่ไม่มีโทษ ก, กับการขาดที่มีโทษนะ การขาดที่ม่มีโทษก็คือบุคคลที่รักษาไตสันนิษฐาถึงการตายเนี่ยดับชีวิตลงอย่างนี้การขาดเป็นเรื่องปกตินี่ไม่มีโทษการขาดที่มีโทษก็คือว่าการที่บุคคลผู้รักษาไตสรรันนิษฐานถึซึ่งศรัทธานในพระรัตนไตเปลี่ยนไปนับถือผู้อื่นเป็นครูเป็นาศาสดาที่ประเสริฐกว่าพระรัตนไตรัยนี่เป็นการขาดที่มีโทษการขาดที่มีโทษเนี่ยเกิดจากปุถุชนนะผู้ทุศีนี่แหละ โดยไม่ได้มีปัญญาจิตของบุรุษชนยังไม่ได้เห็นแจ้งในริยาสสียังไม่มีความมั่นคงในพระานาตรนะไตรนะฉะนั้นศรัทธาสติปัญญาของบุรุษชนเนี่ยมันเหมือนปุ๋ยนุ่นเหมือนปุยนุ่นที่วางไว้ในที่ลมพัดปลิวไปได้ฉะนั้นนะ่ะเมื่อได้ยินผู้อื่นสรรเสริญคุณของสายศาสตร์นอกพุทธศาสนาหรือสรรเสริญคุณของอาจารย์ว่ามีคุณมีอนุภาพช่วยดับทุกข์ร้อนได้ก็ทําให้ ได้ลาบส ก, การะเป็นมงคลด้วยก็เลยละพรตนาไตรัยไปนับถือภายนอกพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการขาดสสารณาคมเลยตรงนี้ก็ต้องระวังคนที่ศึกษาไม่ดีเนี่ยเป็นการศึกษาสารณาคมที่ขาดนะก็คือเป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมไม่เคารพไม่ยำเกรงในพร ะ, พระสงฆ์ ไม่เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในศิษขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั้นตรงนี้ก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของสารณะถ้าพูดถึงอานิสงส์ก็คือการถึงศาสนคมเนี่ยมีอานิสงส์มากมายนะบุคคลผู้บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ก้าล่วงธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้าข้ามโสกกระปริเทวาได้แล้วการบูชานั้นเป็น บูชาผู้ดับกิเลสได้แล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆใครไม่อาจจะนับบุญของผู้บูชาว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้เป็นต้นได้ก็คืออันนี้สองีมากนั่นเองนั้นตรงนี้ก็คือบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบุคคลนั้นย่อมจะไม่ไปสู่อาบายจะภูมิ อ, าอาบายทุคติวิถีบาญลกเมื่อละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจะเข้าถึงกายเทพให้บริบูรณ์เป็นต้นได้อันนี้สองีเยอะนที่กล่าวไว้นี่อันนี้สองหตุการถึงสารณะ และจะไม่จะไม่ขยายตรงนั้นมากที่พูดให้เราได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของสาธารณคมพอย่อๆ ใ, ใช้เวลาแบบสรุปๆเนี่ยทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าจากการมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วด้วยศรัทธานี่แหละเป็นอริยวัตริเป็นบุญธรรมที่ประเสรศิฐเขาพูดถึงพระเจ้าพระธรรมประสงค์ยังไงได้กล่าวไปแล้ววันก่อนแล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของศีลใช่ไหม ศีลก็คือพูดเรื่องของระเบียบหลักการทั้งหลายเป็นต้นทั้งศีล5ศีล8ศีล10ศีลสอีเป็นต้นนีแล้วก็ได้สรุปกันก่อนว่าเ อ, อ่อทำให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติต่างๆรวมทั้งพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตได้ก็เ พ, เพราะอาศัยวินยัยอ า, าศัยศีล และอย่างหนึ่งก็คือว่าศีนนี่แหละทําให้สมาชิกของสังคมและชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้ดีสงบเรียบร้อยสมาชิกตามตารงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนเองโดยสะดวกเนี่ยอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีอะไรเป็นตัวตัวหลักปฏิบัติก็มีศีนนี่แหละถ้าไม่ปฏิบัติตามศีนไม่มีศีนเป็นเครื่องปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ยิ่งพวกศีนก็เป็นตัวจัดแจงคัดสรรให้พวกเราอยู่ด้วยกันได้ดี มีความรากักมีความเ อ, อื้ออทอนต่อกันด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักอันไนควรไม่ควรทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เป็นตัวปรับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพไม่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็กระเทือนไปด้านจิตใจด้วยจิตใจก็เป็นผู้มีจิตใจที่เรียบร้อยดีงามและจะได้เป็นฐานปฏิบัติการของการให้เกิดคุณธรรมเบื้องสูงต่อไป และเป็นการฝึกหัดขัดเกลารตัวเองทําให้กิเลสเบาบางลงถ้าคนไม่มีศีลเป็นตัวคํากับกิเลสก็จะหนาก็เป็นคนหยาบเป็นคนกระด้างตรงเนี้ศีลก็เป็นการควบคุมยับยั้งสังวรปรับการแสดงออกทางกายวาจาอาชีพให้เอื้อต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลในการอยู่ร่วมกันด้วยดีนี่เป็นการขั้นตอนของการพัฒนากุศลด้วยพัฒนาชีวิตของตนเองให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับกุณธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว และอย่างยิ่งก็คือเป็นพื้นฐานของสมาธิศีนเป็นปัจจัยกับปาโมดเนี่ยปาโมดเป็นปัจจัยกับปีติปีติเป็นปัจจัยกับปัจสถานะคือความผ่อนคลายปัจสถานะก็เป็นปัจจัยกับสุขโสมนัสสุขโสมนัสก็เป็นปัจจัยกับสมาธิสมาธิก็เป็นประทัฐานของปัญญาต่อไปต้นเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติแบบถูกต้องดีงามเนี่ยประการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของสุตตะเมื่อวานยังไม่ได้พูดนะ วันนี้ต่อสุตะสุตะแปลว่าสิ่งที่ได้สดับหรือหมายถึงสิ่งที่รู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังการสดับเรื่องราวข่าวสารการอ่านการเล่าเรียนอย่างไรก็ตามความรู้ที่ไดจากการศึกษาศิลปวิทยาต่างๆที่เกี่ยวกับการทามาหาเลี้ยงชีพและการประกอบกิจต่างๆในทางโลกแม้จะเป็นสุตตะนะเป็นไหมเป็นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อสาหรับความเป็นอริยาสาวก ยังไม่สามารถจะเป็นปัจจัยต่อการดับกิเลสและกองทุกข์ได้เห็นไมมความรู้เนะี่ยไปรเรียนกันเถอะจะเรียนภาษาจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนวิชาปราัชญาจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือจะเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือจะเรียนวิชาสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นกฎของกฎหมายเรียนไปวิชาเหล่านั้นเป็นสุตตะไหมเป็นเป็นศิล ป, ปวิทยาไหมเป็น แต่ก็ยังไม่ไม่เพียงพอต่อการที่จะเกื้อกูลต่อการที่จะให้เป็นอริยาสาวกหรือเข้าถึงความประเสริฐเลิศดาบกิเลตและกองทุกได้สําหรับความเป็นอยู่และกิจการทั้งหลายในทางโลกบุคคลคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสุตตะหรือการศึกษาเรื่อเรียนในหนัสือนังสือปวิยาเพียงอย่างหนึ่งก็พอสําหรับการดํารงชีพได้นะบางคนเนี่ยอาจจะมีวิชาชีพเป็นช่างไม้เงี้ยก็เรียนเรียน หรือว่าเป็นช่างกลช่างซ่อมรถเงี้ยหรือเป็นช่งนา ง, งไฟฟ้าเนี่ยก็าอาจจะมีวิชาชีพแบบเนี้แต่เขาก็เลี้ยงชีพเขาได้หรือทําเกษตรทํานาทําไร่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีวิชาชีพอย่างนี้แต่เขาก็สามารถเลี้ยงเลี้งชีพเขาได้เนี่ยนะเลี้ยงเลี้ยงชีวิตเขาได้เนี่ยสุตะต่างๆเหล่านี้ที่เขาเรียนมาเนี่ยแต่ว่าสุตะในเรื่องหนึ่งๆต่างคนต่างก็มีสุตะกันไปไอ้สุตะของคนคนหนึ่งก็ไม่จำเป็นสําหรับอีกคนคนหนึ่งก็ได้ ไม่มีสุดาใดาที่จําเป็นสําหรับทุกคนเสมอเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมเป็นเสมอนอกจากนั้นสุดาประเภทนี้ยังไม่ใช่สุดาที่ปราศจากโทษด้วยนะทีนี้แม้ว่าโดยวความจุดมุ่งหมายเดิมสุดาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทําให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นจากทุกข์ก็หมายความว่าเอาละที่เราไปเรียนวิชาการกันต่างๆเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อเราจะมาแก้ปัญหาของเราบางคนก็เอ้ามันไม่มีที่อยู่เนี่ยก็ไปเรียนข้อมูลมาว่าเออจะทําบ้านอยู่ทํำยังไงก็เลยเป็นวิชาขึ้นมาในเรื่องของการวิศวะการออกแบบการก่อสร้างขึ้นมาไปเรียนการสร้างบ้านขึ้นมาเออเนี่ยก็คือว่านี่แหละก็แก้ปัญหาว่าไม่มีที่อยู่ เอาบางคนจะไม่มีเครื่องนุ่งห่มก็ไปเรียนมาเรื่องเย็บปักถักร้อยขึ้นมาว่าเออจะสามารถเอาผลิตใยส่งครับขึ้นมาทั้งมาทำเสื้อมาทําเสื้อผ้ามาทําเครื่องนุ่งห่ ม, มยังไงเออมีปัญหาอีกแล้วเรื่องอาหารเอาไปเรียนเรื่องการทําอาหารขึ้นมาอะไรอู้เยอะแยะบมเลยตอนนี้มนุษย์เราก็ดิน้นดิ้นรนกันกระเซาะกระสนก็ดิ้ก็ต้อง ก, ก, ก, การแก้ทุกนี่แหละต้องการจะพบอิสระภาพนี่แหละ นั่นเป็นสิ่งที่มีเพื่อแก้ปัญหาทําให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ประสบอิสรภาพและมีความสุขแต่เมื่อมีบ่อยครั้งที่กลับเกิดผลตรงข้ามกลายเป็นเครื่องมือสร้างปัญหาก่อความทุกข์ให้หนักและก็ซับซ้อนแก้ยากยิ่งขึ้นจึงไม่ใช่เป็นสุตตารที่เต็มไปด้วยความหมายในที่นี้โอ้เห็นไหมเราจะเห็นชัดพอเราไปเรียนรู้อีกเรื่องหนึง่งแล้วเอามาทําอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาโอ้เป็นปัญหาเช่นความรู้ในเรื่องการจะสร้างโรงงาน โอ้โหพสร้างโรงงานขึ้นมาเป็นปัญหาเรื่องมลภาวะขึ้นมาโอ้ยตายเนี่ยมันแก้กันไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยนะไอ้สุดาเนี่ยที่เราไปเรียนเรียน เ, ยนเยนกันมาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่จบโอ้ยเราอยากจะมีรถเราก็ไปเรียนเรื่องช่างกลนะการผลิตรถยนต์ขึ้นมาโอ้โหพอเรียนผลิตกันขึ้นมาไปเสร็จร ถ, รถวิ่งเต็มท้องถนนไอ้เหล็กวิ่งได้เนี่ยโอหเป็นปัญหาเลยตอนี้มลภาวะรถติร็จโอ้ยเสียเนี่ยมันไปไ ป, ไ ป, ไปมาเนี่ยมันก็ นี่สุตตาในลักษณะนี้มันเต็มมันก็ในสุตตีก็แก้ไขา ย, ยากขึ้นมันก็ซับซ้อนจึงไม่ใช่เป็นสุตตาที่เต็มตามความหมายในที่นี้ที่เป็นไอสุตตวาอริยาสาวกโกคนระอย่างกันทีนี้สุตตาที่เป็นคุณสมบัติของอริยาสาวกนั้นหมายถึงความรู้ที่จําเป็นสําหรับทุกคนทุกคนด้วยนะเป็นความรู้ที่จําเป็น เพื่อให้รู้จักวิธีการจะดําเนินชีวิตให้ดีงามทําให้รู้จักใช้สุตตะอื่นๆหรือวิชาชีพเป็นต้นเป็นไปนในทางที่จะเป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นและส่วนรวมสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยปิดกั้นโทษช่วยสุตตะอื่นมีคุณค่าเต็มสมบูรณ์เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความหมายอย่างแท้จริงนี่เป็นคุณค่าด้านเดียวเลยแต่เรามองนี้ก็คือว่าเออเนี่ยถ้าเราไม่มีคําสอนเนี่ไม่มีสุตตะของาพาริยะ เป็นตัวคอยกํากับข้อมูลที่เราเรียนมาแล้วกันยุ่งเลยนะีเอา้าไปเรียนวิทยาศาสตร์วิจัยอะไรต่างๆขึ้นมานักเข้านักเข้าไปทําลายคนอื่นใช่ไหมเล่าสามารถที่จะวิจัยสังเคราะห์สารเคมีออกมาเนี่ยเพื่อทํำลายใครก็ได้ทําลายคู่ต่อสู้ทาลายคู่แข่งทําลายประเทศอื่นก็ได้เนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลของอริยส า, าวกของพระเจ้านี่นะ เออบอกว่าเออเนี่ยก็ทำแบบนี้มันเป็นบาทอันควรและทำยังไงเนี่ยถ้าไม่มีสุดตาของอะไของพระเจ้าไม่มีข้อมูลของพระเจ้ามาเป็นตัวกํากับเนี่ยถ้มีข้อมูลของพระเจ้ามาตัวกํากับเนี่ยก็ทําให้คอยกํากับทําให้สุดตาที่เราศึกษากันมาทางโลกนะั้นเป็นสุดตาที่เป็นไปเพื่อป ร, ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์จากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นและเป็นประโยชน์ต่อสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้ก็ต้องอาศัยนี่แหละคําสอนหรือสุดตาที่เราได้จาก การตัศ罗ของพระเจ้าที่เป็นคุณความดีทั้งหลายเลยเนี้ด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์ยิ่งไปกว่า น, นั้นสุตตะอย่างนี้เท่านั้นเป็นความรู้ที่ทําให้บุรยชนเนี่ยเป็นพระอริยะได้และก็เข้าถึงความเป็นอริยชนได้สุตะในที่นี้เป็นเป็แกววความรู้ในอริยธรรมก็คือหลักความจริงความดีงามที่อริยชนได้แสดงไว้ ก็คือคําแนะนําสั่งสอนต่างๆที่แสดงหลักการครองชีวิตอันประเสริฐอันนี้เป็นการชี้มักคาเส้นทางหรือแนวทางมาาักคาชีมาา้มักคาชี้เส้นทางแนวทางเพื่อความไปสู่ความเป็นอายชนนีเออ่เป็นสุตตาที่ดีตรงนี้แหละเป็นสุตตาที่ต้องการฝึกทั้งพฤติกรรมตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยดีงามไม่เป็นพฤติกรรมที่เรียบร้อยดีงามเป็นการกําจัดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยดีงามดนดวง แล้วก็เป็นสุตตาที่มาปรับปรุงแก้ไขสภาพจิตใจที่อ่อนแอตั้งหลายให้มีความเข้มแข็งจิตใจที่ไม่มีคุณภาพให้มีคุณภาพจิตใจที่มีความทุกข์ให้มีความสุขแล้วก็พัฒนาทัศนคติมุมมองที่ไม่เป็นปัญญาให้เป็นปัญญารู้เห็นและเข้าใจสามารถถ่ายถอนกิเลสและกองทุกข์ได้โอเนี่ยนะเนี่ยสุตตาตรงนี้จึงเป็นสุตตาที่เลิอดที่ประเสริฐเนยนะสามารถที่จะเป็นค ว, ความรู้นะ เป็นคำนี้นำสั่งสอนที่แสดงหลักการของชีวิตอันประเสริฐด้วยเป็นการชี้มักคาไปสู่ความเป็นอริยชนด้วยสุตตะในวิทยาการต่างๆจะต้องมีสุตตะในอริยธรรมนี่ควบหรือแทรกอยู่ด้วยเป็นส่วนเติมนะแล้วก็แต่งเติมก็ได้นะเสมอไปจึงจะพอให้เกิดความมั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่เครื่องมือในการส่งเสริมปัญหาหรือสร้างเสริมปัญหา ถ้าเรามีสุตตะของอริยะคือของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวกำกับข้อมูลที่เราศึกษาเราเรียนมาเราก็จะสามารถใช้ข้อมูลนั้นไปในทางที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐได้และเป็นไปเพื่อความส่งเสริมแล้วก็เป็นคุณประโยชน์ไม่ก่อโทษและปะัญหาเนี่ยเป็นอย่างไรก็ตามสุตตะทุกอย่างรวมทั้งสุตตะนอารยธรรมแม้จะเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่ก็ยัง เป็นเพียงความรู้อย่างการเก็บสะสมวัตถุดิบเข้าใจใช่ไหมยังไม่สําเร็จกิตทีแท้จริงอย่างดีถ้ากล้าไปอีกขั้นหนึ่งก็กลายเป็นความรู้ที่ย่อยก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เรียกว่าเป็นทิศหรือความรู้ระดับทฤษฎีซึ่งก็ยังไม่เพียงพอจะต้องนําไปใช้เป็นอุปกรณ์ของปัญญาซึ่งเป็นความรู้ระดับแยกแยะวิจัยแล้วก็เป็นไปในด้านการวินิจฉัยและประจัดการโดยการนําไปไปเดาตามหลักที่ว่า ให้เป็นอุปกรณ์ปัญญาอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเป็นหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่หรือเป็นธรรมมานรือธรรมะปฏิปติจะต้องสําเร็จผลในการใช้งานได้อย่างแท้จริงอันนี้ตรงนี้ต้องเข้าใจนะสุดตาข้อมูลที่เราเรียนมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบเท่านั้นแหละเป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงใช่ไหมเหมือนอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยมันจะต้องเอามาหัน่นมาจัดแจงมาทําอะไรอีกเยอะถึงจะได้เป็นประโยชน์แก่การที่จะเอามากินนํา บ, บริโภคให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายส่งเสริมกระแสะชีวิต ดังวัตถุทั้งหลายข้อมูลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิทยาการทั้งหลายที่เราเรียนมาเนี่ยมันยังเป็นข้อมูลดิบๆอยู่มันก็จะต้องเอามาวิจัยแยกแยะที่เป็นทฤษฎีก่อนได้ไหมเป็นทฤษฎีก่อนหรือเป็นความรู้ระดับทฤษฎีเนี่ยมันก็ยังไม่พออีกต่อไปก็จ้องเอาความรู้ระดับทฤษฎีมาเป็นอุปกรณ์ต่อปัญญาเอามาวิจัยนะเอามาวิจัยแยกแยะวินิจฉัยมาจัดแจงนําไปปฏิบัตินะเขาเรียกว่า ที่บอกว่าหลักย่อยค้อยหลักใหญ่ก็คือมาเป็นธรมนธรมานนธรรมปฏิปติก็คือประพฤติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมะใหญ่ก็คือประพฤติธรรมตามสมควรแ ก, ก่โลกุตละธรธรมนี่แหลนะนั้นหลักการก็คือว่าเราเรียนคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่พอจากการเราเรียนแล้วจะต้องเอามาเป็นมามาขบคิดเอามาวิจัยเอามาแยกแยะนะเป็นทฤษฎีแล้วก็เข้าสู่ปัญญาเมื่อเข้าสู่ปัญญาแล้วเข้าใจอย่างท่องแท้เบียเศษแล้วก็มาดําเนินฝึกฝนพัฒนาจริงๆเนี่ย ทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและปัญญาหเห็นอย่างทองแท้จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนสามารถทายถอนกิเลสและกองทุกได้หมดเลยเออตรงนี้ก็เลยกลายเป็นนั้นสุตตาอย่างเดียวพอไหมนั่นจะต้องพัฒนาไปถึงจินตะมัจาปัญญาแล้วก็ภาวนาเข้าสู่ภาคการปฏิบัติการหรือนี้เป็นต้นถึง จ, จะสําเร็จประโยชน์ได้อย่างแท้จริงมีใครสงสัยอะไรไหมมีไหม มีมัไหมีไม่มีนี่ใช้เวลาไปเท่าไหร่เหนึ่งชั่วโมงตรงเออได้นชั่วโมงครับพี่หนึชั่วโมง1นนาทีอ่าเดี๋ยวต่อไปพูดในเรื่องของจาค่าไม่ดีเลย อาจาร์ค้าก็แปลว่าการสละเป็นการให้หมายถึงการให้ที่แท้จริงยิงจะเป็นการเป็นจาคะซึ่งเป็นการสละออกไปดังที่ได้กล่าวไว้หลายครั้งคือสละนอกข้างนอกและข้างในข้างนอกก็คือสละวัตถุข้างในก็คือสละความโลภสละความโกรธและก็สละความไม่รู้ด้วยความตณีความรู้สึกตนีห่วงแหนไม่ปรารถนาผล ให้ตอบแทนเป็นต้นและการให้ของอริยาสาวกนั้นเนี่ยเป็นการทําด้วยจิตที่สูงพ้นระดับความต้องการผลตอบแทนใดๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลาบยอดสุขสวรรค์ก็ตามเนี่ยอริยาสาวกท่านอคนที่เป็นอริยาสาวกทัางหลายเนี่ยท่านไม่ได้หวังอย่างนั้นอย่างเราทั้งหลายเนี่ยเวลาให้เนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักหวังแล้วหวังให้เขามารั ก, กเรา หรือให้เนี่ยบางทีก็โอ้โหมีความหวังมีความต้องการเยอะแยะใช่ไหมเราจะได้ไม่จนหวังสุขติโลกสวรรค์โอ้โหวังอะไรเยอะแยะหมดเลยหวังว่าเขาจะได้รักเราก็าจะได้พูดดีกันเราหวังลาบสกาลาเสียงสารเสริญเย็นย่อไอการให้ลักษณะนี้เปนการมีเงื่อนไขต้องการผลตอบแทนใช่ไหมไรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าการให้ที่แท้จริงการสละที่แท้จริงสละข้างนอกก็คือสละข้างในคือความโลภความยึดติด ความตนหณีควา ม, มหวงแหนความหินแก่ตัวทั้งหลายต้องถูกสละเอาอไปด้วยอย่างนี้ก็เล็สละทั้งข้างนอกสละทั้งข้างในด้านจารคากองเลียส า, าวกเนี่ยก็คือว่าชอบให้ชอบบริจาคสรรท่านใช้คําว่าทานะสังวิภาครัตยินดีในการให้ยินดีในการแจกอริยส า, าวกจะมีความรู้สึกอย่างนี้แสดงอยู่ในตัวถึงการมีความสุขความสบายใจในการทําเช่นนั้นคือรู้สึกว่ามีของมาเยอะๆยิ่งดี เราจะได้มาแจกมาได้มาให้มาสละมาแบ่งปันเรามีความรู้สึกอย่างนี้ไหมเวลาไปบินทบานะต้องฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆริงนะเอออยากจะมาให้อยากจะมาแบ่งปันอยากจะสละออรู้สึกว่าได้ให้ได้สละได้แบ่งปันแล้วไม่มันเป็นการได้ขัดเกลา้างข้างนอกสละทัข้างนอกสละทข้างใ น, องนโอ้ตมัมธรรมดามนุษย์มันยึด ต, ติดอยู่แล้วเหรอเมื่อนเนี่ยเออเราเห็นที่มันรกมันสกปรกเราอยากจะทําให้มันสะอาดเราจะทําให้ ให้เกียรติค้านไม่สนเราจะทำนะเราต้องการลึกขัดขัดเกลาวตัวเราเองจริงๆเลยเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมที่ทุกอย่างมันก็เลยเป็นข้อฝึกเราทด้หมดเลยถ้ามองอย่างนี้โอ้โหเห็นอะไรก็อยากทำไปหมดฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าการที่ได้ทำก็คือบางทีเนี่ยลักษณะของ ใจที่ชอบให้แสดงอยู่ในตัวของความสุขในการให้การที่ไม่ได้กระทําก็เพราะมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนแกนตนอริยาสาวกจึงไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความเศร้าโศกผิดหวังในภายหลังว่าทําแล้วไม่ได้มีคนยกยก่องเราอุตส่าห์ให้อุตส่าห์ทำทั้งหลายไม่เห็นมีใครมายกย่องเราเลยเงี้ยใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเขาทําเนี่ยใหม่ๆเขามามาถูห้องน้าําถูเสร็จปุ๊บ เขาอยากได้รับคําว่าขอบใจหรือว่าโอ้สุดยอดคือเขาทําอะไรปุ๊บเขาต้องการเสียงชมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูที่ได้ทําเนี่ยหนูต้องมีความสุขจากการได้สละได้ทําได้เห็นตัวความสามารถทําลายความเกียดค้านทาลายความไม่เชื่อมัน่นทําลายความหลงลืมสติทําลายความฟุ้งซ่านได้แล้วก็ทําลายความไม่รู้ไม่เข้าใจอตรงเนี้ยมันได้ตรงนี้แล้ว เสียงสารเสวนเยินยอ่อไม่ได้มีสาระอะไรกับมันหรอกไปหลงไปติดกับมันได้งไงนี่เป็นต้ตนเขาไม่ยังไม่เข้าใจอนะตอนนี้เข้าใจยัง่เข้าใจแล้วนะเนี่ยเนี่ยการทําอย่างเนี้ยมันได้ตรงนั้นแหละก็คือว่าต้องการสลากกิเลนนี่เองเขาจะไม่เศร้าโศกผิดหวังในภายหลังทําแล้วไม่ได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะในเมื่อความโลภไม่ครอบงําจิตใจ ไม่หมายใจคิดที่จะเอาไม่มีความหวงปิดบังอยู่ข้างในแล้วใจมันก็เปิดกว้างนั่นก็เกิดคนมีความเข้าใจผู้อื่นนะมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาโดยง่ายจิตใจก็จะโน้มเอียงไปในการที่จะให้มุ่งแต่จะสงเคาะจะช่วยเหลือจะไปทําประโยชน์ให้จะแก้ปัญหาให้เขาทําให้เขามีความสุขยินดีพอใจในการให้ในการกระทําทั้งหลายเรื่อนี้โอ้จิตมันเปิดกว้ า, างเลงตอนนี้เปิดหรือแคบอยู่ จิตแคบแคบหรืจิตเปิดกว้างขึ้น<ม>ก็ต้องทําให้เปิดการสละในการแบ่งปันเนี่ยคิดในงแง่ผลตอบแทนก็คือการให้นั่นแหละเป็นการได้อยู่ในตัวเนี่ย<ม>ก็คือได้อะไรได้ชันทะในกุศลธรรมคือต้องการทําความดีต้องการให้มีสิ่งที่ดีงามต้องการอริยะสาวกทำในสิ่งที่ดีงามและความดีงามแล้วก็เกิดมีขึ้นก็มีเมตตาปรารถนาให้โลกมีความสุข มีเมตตามีกรุณาปราถนาเขาพ้นจากทุกข์พอเย็นดีเมื่อเขาประสบความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้ น, นอริยาสาวกเขามีใจบริสุทธิ์อย่างนี้แหละมีใจผ่องใสกิเลสก็จะลดลงลดลงนี่เป็นการฝึกฝนพัฒ น, ฒนาตนเองก้าวเข้าไปในธรรมะนี่เป็นความสุขความอิ่มใจจากการที่เป็นบุญเป็นกุศลเหล่านั้นแหละในความเข้าใกล้จุดหมายของพุทธศาสนาก็มากยิ่งขึ้นภาษารบุตรบอกว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเพราะเห็นแก่อุปธิคือย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นอุปธิคคือว่าสุขที่เจือด้วยกิเลสเนี่ยเป็นสุขที่เป็นโลกียสุขหรือสุขที่อยู่ในไตรภพงั้นท่านไม่ได้ให้ทานเพราะหวังไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไม่ได้รักษาศีลเจริญศีลเพราะการต้องการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมไม่ได้ต้องการเจริญสมาธิต้องการไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมนะ ไม่ได้เจิญปรรัญญาต้องการเกิดเป็นมือเทวดาละพรหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ต้องการอุปทิศอย่างนั้นย่อมไม่ให้ทานเพื่อพบใหม่แต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อ ม, มให้ทานเพื่อกําจัดกิเลสเพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อไม่ก่อพบอีกต่อไปเอาเลยเนี่ยให้เพื่การสละเลยสละกิเลสและสละขันธ์ทิ้งซะเลยก็จะได้ ย, ยังเนี่ยพระสารีบุตรบอกอย่างนี้เลยเนี่ยการให้การแบ่งปันาการช่วยสงเคราะห์ทั่วไปแล้วเนี่ย จากท่าของอริยาสาวกยังแสดงออกอีกด้านหนึ่งก็คืออีกก็คือความสามารถที่จะเฉลี่ยสิ่งของต่างๆกับคนที่มีศีลธรรมกัลยาณธรรมก็คือประพฤติชอบและมีความดีงามทั้งหลายด้วยย่อมให้ทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นสาธารณะสําหรับคนที่มีศีลมีศีลธรรมที่จะร่วมใช้ร่วมบริโภคด้วยกันหมดนั้นสังคมของอริยที่บอกมีอยู่ข้อหนึ่งนะเมตตากายกรมมก ร, ยกรมเมตตาวจีกรกรมเมตต า, าม แล้วก็สาธารณโภพอคีได้ทรัพย์มาได้ของมาแล้วก็แบ่งปันกันไม่เก็บไว้คนเดียวทุกคนมีส่วนร่วมใช่ไหมเอามาตั้งเป็นกองกลางเลยเอาใครอยากใช้สอยเอาเลยเชิญได้อาหารมาวางไว้พปุ๊บเชิญเลือกกันตามลําดับไม่ใช่แย่งกันนะเอาใครมีอายุพรรษามากอ ก, ก, อาานนก็เลือกก่อนไล่ไปตามลําดับตามลําดับอันนี้ยตงไหนบวชก่อนเลือกก่อนเนรบางคลพวดขอเลือกก่อนเลยนย่างนี้ ก็ไม่ตามลำดับถ้าอย่างอย่างนี้เนต้นก็คือว่าได้ของมาแล้วก็วางไว้เป็นส่วนกลางอาเลยทุกคนเนี่ยเป็นรลักษาพาฒนาโพคีใครจะทําได้เนี่ยส่วนใหญ่หรือบางคนถึงขนาดว่าเอา้วยอมสละสวนตนเองก่อนเลยเห็นคนอื่นเลือกก็ดีใจโอ้ให้เขาอิ่มเขาจะได้มีอายุยืนเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้ผิวพรรณงามเขาจะได้มีกําลังเขาจะได้มีสติปัญญาเขาจะได้ฝึกผลพัฒนาตนเองทั้งตลอด สัจาะสี่ร่างทรงเขาจะได้มีกาลังในการขอบกิจกรรมต่างๆเขาจะได้ประสบความสําเร็จโอ้เนี่ยส่วนที่เหลือเราถึงเอาโอ้จะใครทําได้ที่สุดยอดเลยแล้วไม่น้อยใจด้วยนะไม่ใช่จ้องตาเขมิงไว้เลยเองไอ้นี่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่เลยให้ถ้าเขาชอบพร้อมดีสลักทั้งทั้งที่ของนี่เนี่ยอย่างนยจะไม่ห่วงแล้วให้เลยเนี่ยอ่าต่อไปตั้งแต่วังนี้ไปลองทําดูนะเอาไปฝึกทําว่าโอ้อันไหนชอบ ท่านอาจารย์ครับสิ่งนี้ผมชอบผมสละถวายครับอุ้ยพอเห็นเขากินพบใจมันเสียใช่ไหมสะใจเลยนี่ชนะมันแล้วกิเลสมันร้องไห้สามารถทําให้กิเลสมันร้องไห้แต่เราชื่นใจเลยแต่เนี่ ย, ยแต่ทํานี้ได้โหสุดยอดเลยเอาแลกจาคะพอสมควรไปเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดเรื่องปัญญาต่อวันนี้ไม่ทันอันวนี้พักผมแค่ยี่ Oh. <laughs>